วิปากติกะสองสหาชาตวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระห้าสิบสามสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดร่วมกับสภาวธรรมที่เป็นวิบากเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดร่วมกับขันหนึ่งที่เป็นวิบากขันหนึ่งเกิดร่วมกับขันสามขันสองเกิดร่วมกับขันสองย่อหนึ่ง ปัจญานุลมสองสังคยาวาระห้าสิบสี่เหตุปัจใจมีสิบสามวาระอวิคตาปัจใจมีสิบสามวาระสองปัจยะปัจเนยะห้าสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นวิปากเกิดร่วมกับสภาวธรรมที่เป็นวิปากเพราะนาเหตุปัจใจได้แก่ขันสามเกิดร่วมกับขันหนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นวิปาก ขันหนึเกิดร่วมกับขันสามขันสองเกิดร่วมกับขันสองย่อ 3. ปัจญานุโลมปัจญจียะ56นานอารมณปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจใจละถึงมีสามวาระ 4. ปัจยปัจญียานุโลม5้ิบเอารมณะปัจจัยกับนเหตตปัจจัยมีห้าวาระ อวิคตะปัจจยและถึงมีสิบวาระสหาชาตะวาระจบสามวิปากติกะสามปัจยวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขาวาระเหตุปัจใจห้าสิบปดสภาวธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แข่ ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันหนึ่งทำขันสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากทำสภาวะธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะกระตัดตารูบทำขันที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวะธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทานรูปทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองและจิตตะสมุทานรูปทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์สองทำขันธ์สองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวะธรรมที่เ uh ป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะเหตุตุปใจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปลาสทำสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปทำขันสองให้เป็นปันจจัยเกิดขึน้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูป ทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำอุปาทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่เป็นวิบากทำอภัยวตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นวิบากทำอภัยวถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำอภัยวถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวะธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุทีท่เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุต่ปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นวิบากธำอมัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะธ์ขันธ์ที่เป็นวิบากธำอมัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น กระตัดตารูบทามหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากธทำมภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทนานรูปทามหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 59สภาวธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ nightmare. ขันธ์สามทำข <man> ันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากและทำหทายวัตถุ bandwidth. ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์สองทำขันธ์สองและหทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบาก และทำหัทยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและหาทัยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นวิบากและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูกทำขันที่เป็นวิบากและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากทำสภาวะธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากและทำมหาทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันสองทำขันสองและหทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นวิบากและทรมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากและทำหทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและหาทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกระตาตารูปทำขันที่เป็นวิบาก และทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหกสิบสภาวะธรรมที่เป็นเหตุที่เกิดวิบากทำสภาวะธรรมที่เป็นเหตุที่เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่เป็นเหตุที่เกิดวิบากและทำหัตถเยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์สองทำขันธ์สองและหัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ส, สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุที่เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานนรูปทำขันธ์ที่เป็นเหตุที่เกิดวิบากและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุที่เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก ทำสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและทำหัตถเยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและหัตยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฐานรูปทำขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและทำมหาภูตรูป ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอารมณะปัจ <not> จ <isco wondered new> ัยหกสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์สองทำขันธ์สองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้น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 ให้เป็นปัจจัยเกิดข well. <people> hmm. <disconnected state> ึ้นขันสองทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากธรรมะทายวตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอรมณะปัจจัยได้แก่จกขูวิญญาณทำจักขาญตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สโสตวิญญาณทำโสตายตนะให้เป็นป <fen> ัจจัยเกิดขึ้นคานวิญญาณทำคานายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นชิวหาวิญญาณทำชิวหายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นวิบากทำทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นวิบากทำอัคติวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ทำขันหนึ่งที่สหรครคตด้วยจกักขวิญญาณและทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโสตะขานะชิวหากายขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากและทำหัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและหัตยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณนะ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 ขันสองทำขันสองและหาทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอธิปฏิปัจจัย62สภาวธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่และถึงทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากมีสามวาระอธิปติปัจจัยไม่มีในปฏิสนธิขณะละถึงทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก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 และทำหาทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและหาทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวะธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นวิบากและทำมหาภูตารูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ทำขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและทำมหาภูตารูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยหกสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอนันตระปัจจัยเพราะสมนันตระปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอารมณะปัจจัยอัญญามัญญปัจจัยหกสิบหกละถึง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 ขัน ส, สองทำขันสองและหทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนิสยปัจจัย68สภาวธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนิสยปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตปาะปัจจัยอุปนิสยปัจจัยและอุเรชาตะปัจจัย69ละถึงเพราะอุปนิสยปัจจัย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 กรรมปัจใจ71สภาวธรรมที่เป็นว oh. ิบากทำสภาวธรรมที s <S ่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจัยมีสามวาระปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตะปัจจัยวิบากะปัจจใจ72สภาวธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิบากะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบาก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 สภาวธรรมที่เป็นวิบากและสภาวธรรมทั้งสองมีสามวาระละถึงทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากมีสามวาระอาหาระปัจจัยเป็นต้นละถึงเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทริยปัจจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมัคคะปัจจัยเพราะสัมปยุตตะปัจจัยเพราะวิปยุตตะปัจจัย เพราะอาธิปัจจัยเพราะนาัตถปัจจัยเพราะวิคตาปัจจัยเพราะอาวิคตาปัจจัย